การก ร, ระสุดใจสิยเวลาในการที่จะเทศนาครับครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อสุดาชีแล้วมีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นแบบกระทันหันไม่เคยไม่อยู่ในแผนการ <c oughs> อ่แต่ต้องไปแต่พระเจ้าให้ไปไปดูงานสองเรื่องนะแต่ไปฐานด้วยไปดูงานเรื่องไฟกับเรื่องน้ํา <c oughs> ไม่เกี่ยวไฟฟ้านะไฟไฟก็คือไฟนะฮะก็เลยไปสองเมืองน ะ, ะเมืองที่พักจรินคือฟูกูโอกะเนาะไอ้ที่ถนนยุบอ่ะที่พักผมอยู่ห่างประมาณสักร้อยเมตรประมาณนี้นะฮะแต่เขาไม่ยุบเพราะว่าแผ่นดินไหวนะเขายุบอาจจะเพราะเนื่องจากการเจาะพื้นใต้ดินเพื่อทํารถไฟใต้ดินนะะตรง น, นั้นมากกว่าแต่ตอนไปเขาเรียบร้อยละ นะฮะัอนไปเรียบร้อแล้วนะครับกลับมาประเด็นจริงเริ่มไหวเมืองที่เป็นเมืองไฟก็ไปดูที่ฮิโรชิมานะฮิโรชิมานะครับแล้วไปดูเรื่องน้ําเมืองน้ําอ่าแอนกมามุโต้นะนะครับก็มีความแตกต่างกัน <c oughs> เรื่องไทเข้าไปดูเรื่องของความปวดร้าวของญี่ปุ่นจากกูการเบิร์นิวเคลียร์ที่ทิ้งที่ฮิโรชิมากับนางาซากิแต่ว่าที่ฮิโรชิมาหนักหน่วงกว่าก็าคนเยอะกว่านะครับ <c oughs> ก็เมื่อไปดูในพิพิธภัณฑ์ดูที่จัดนิทรรการไว้นะฮะ <c oughs> ก็มองก็ก็เป็นอะไรที่ญี่ปุ่นก็จบจิตปดนะ เพราะว่าการตายของคนเนี่ยมันมีความหลากหลายอาตายแบบแรบเชอร์ก็มีแรบเชอร์คืหายวับไปกับตานะ่ยมีเมื่อเมื่ออยู่ในใกล้ๆใช่ไหมกับทยอยตายทยอยตายก็มีระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะสามเดือนอสามวันสามเดือนหนึ่งปีระยะยาวก็เป็นสิบปีแล้วทยอยตายอันสืบเนื่องมาจาก กรรมสภาพบังสีที่เข้าไปอาบในชีวิตของเขานะและบางคนก็กรรมสภาพบางสีเนี่ยก็มีผลทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้ด้วยลูกหลานที่เกิดมาก็มีผลด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งนั่นก็ความเจ็บปวดของญี่ปุ่นก็ยาวนานนะบางคนก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เพอะางทีอาการไม่มีนะอาการไม่มีอะไรจับทั้งนี้ อันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วไปก็มีการไปเจอคนหนึ่งเขาก็มามาทุกวันนะ่ะมาที่นี่ทุกวันมาที่ไม้ฐานขอพรกับยา่าทเสียไปอายุ80กว่าแล้วทํามาทุกวันนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็เป็นความสะเทือนใจแล้วก็ญี่ปุ่นก็ปลูกฝังรุ่นลูกห ล, น ล, น ล, นลานให้มีโอกาสได้มาดูงานมาดูเนี่ยตั้งแต่รุบาล น, นะเด็กรุบาลก็มาดูงานที่ฮิโรชิม่า นะครับแต่คงดูในระดับที่แตกต่างกันนะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีการประดูงานที่ฮิโรชิม่าเนี่ยนะมาถ้าศึกษามาถศึกษาที่ฮิโรชิม่าเนี่ยอย่างน้อยคนละสามครั้งในชีวิตของเขาตอนเป็นรุบาลตอนเป็นปฐมมัธยมอะไรต่างเนี่ยนะหรืออาจจะมาช่วงของมหาลัยด้วยก็จะมาศึกษาดูงานนะเพื่อให้เป็นอะไร กนณีศึกษาน่ะแล้วมีความเจ็บปวดของเขาที่เขาได้รับจากไฟน่ะแล้วคนนี้ตายมาก่สุดคือเด็กนักเรียนก็ตายมากเด็กเรียนไม่ออกสงครามครับเด็กเรียนไปเก็บซากสลักหักพังเขาเกณฑ์เด็กไปเพราะว่านม่นจากผู้ใหญ่ก็ออกสงคราม <c oughs> แต่เด็กนั้นไปเก็บซากกระปัด <c oughs> เป็นนักเรียนด้วยน่ะมีแม่บางคนก็เจ็บปวดจนตายเพราะว่าวันนั้นลูกบอกว่า ปวดหัวไม่อยากไปแต่แม่บอกเขาไม่รักชาติหรือไงเออเมื่อบอกไม่รักชาติแล้วไปพอไ ป, ป, ไปนั้นเอนิวเคลียร์ก็ลงนิวเคลียร์ลงก็ตายเด็กเก้าพันคนก็ไปสะกหกพันคนนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไฟเผาผลาญ น, นะไฟที่เผาผลาญ น, นั้นนี่คือฝ่ายกายภาพนะแต่ก็มีผลต่อจิตวิญญาณต่อจิตใจ น ะ, ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองมองดูถ้าเป็นไฟที่เาผาผลาญิองเราอาจจะออกมาในหลากหลายรูปแบบน ะ, ะซึ่งมันสร้างปมสร้างความเจ็บปวดในชีวิตนะครับดงนั้นเรื่องนี้ญี่ปุ่นยังไงก็ไม่ลืมแล้วก็ถ่ายทอดไปยังลูกหลานให้จดจำคงไม่จดจำเพื่อการแก้แค้นนะฮะแต่จดจำเพื่อจะได้รู้ว่ามันอะไรควรทำอะไรไม่ควรทานะฮะั น, นก็นเป็นสิ่งที่คงจะปลูกฝังกัน น, นั่นคนเมื่อผมไปก็ไปอยู่แค่ครึ่งวันเนี่ยก็เห็นเด็กนักเรียนเนี่ยมามาศึกษาดูงานมาศึกษาเป็นรุ่นรุ่นไปนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่ที่เกิดขึ้นเขาก็ปลูกฝังไว้ตรงนั้นนะครับเมื่อไปดูเรื่องน้ําที่เมืองคุมาโมโต้นะครับก็เป็นเมืองน้ำํำแล้วก็เป็นเมืองขนมปังด้วยเมืองน้ําปั๊บก็มีข้าวดีใช่ไหมก็ทําเป็นขนมปังขึ้นมาแหละนะครับน้ําเกี่ยวกันพลิกฟื้นชีวิต แต่เมืองน้ำนีญี่ปุ่นก็มีเมืองเนี้ยที่เป็นเมืองน้ำที่ดีนะครับก็เป็นส่วนในการที่ฟื้นชีวิตขึ้นมานั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ให้มองเห็นภาพคุณภาพของน้ำว่าเยอะแยะฉะนั้นประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับน้ําประเทศอื่นหาน้ํายากประเทศอื่นเนี้ยน้ําแพงกับน้ําผลไม้แต่ประเทศบ้านเราน้ําผลไม้แพงกับน้ําจืดมันกลับกันอยู่นี้นะแต่ประเทศอื่นน้ําเปล่าน้ําจืดที่เป็นอะไรที่หายากมาก นะะหายากจริงๆรงนะิไม่ต้องเอาก็ไปไหนไกลๆเอาไปเทีประเทศสิงคโปร์เนี่ยน้ำเปล่าแพงน้ําผลไม้อยู่แล้วพอเขา ม, มีน้ําจืดเนี่ยนะปีนี้น่าจะเป็นที่สิงคโปร์น่าจะผลิตน้ําจืดเองคือเอาน้ําทะเลแล้วมาทําน้ําจืดเมื่อประมาณสามสิบสี่สิบปีที่แล้วญี่ปุ่นเอ่อสิงคโปร์ซื้อน้ําจากมาเลเซียนะซื้อนําจากมาเลเซียแต่ว่าเออผมไม่แน่ใจเมื่อประมาณห้าหกปีแล้วไปไปที่สิงคโปร์เขาบอกว่า ปีนั้นเป็นปีที่สิงคโปร์ว่าเขาจะทําน้ําเองเขาจะทําน้ําเองนั้นสิงคโปร์ก็ตั้งกั้นอ่าวตัวเองเกิดขึ้นสิงคโปร์ไม่เคยมีอ่าวแต่กั้นอ่าวขึ้นเพื่อจะผลิตน้ําอะไรต่างพวกนี้นะ <c oughs> นั้นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อไปดูก็บองเห็นภาพหลายเรื่องและเมื่อมาดูประเทศไทยเรานะเกี่ยวกับเรื่องการพลิกฟื้นชีวิตฟื้นชุมชน นะเป็นบทบาทหน้าที่ของคึ้จับโดยตรงญี่ปุ่นนั้นอาจจะมีคริสเตียนอยู่ประมาณสักสองถึงห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าสูงกว่าเราของเรายังเก่งสุดของเรายังเก่งสุดรวมทั้งแคทอลิกรวมทั้งโปรเตสแตนต์คือหนึ่งเปอร์เซนและหนึ่งเปอร์เซ็นเรามายาวนานแล้วมาเป็นสิบปีหนะนึ่งเปอร์เซ็นนะจำนวนําประชากรเพิ่มมาแท่ตามแต่แต่ยังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็ หรือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งไถ่ครวนคิดดูนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความกระตือร้นในการพัฒนามากนักไม่ใช่คนไทยไม่เก่งไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยไม่รับผิดชอบแต่คนไทยบอกว่ามีอยู่แล้วทําไมต้องทําประเทศอื่นต้องปลูกต้นไม้แต่ประเทศไทยต้นไม้ขึ้นเองเ ข, ข้าใจไหมฮะ ประเทศไทยเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าพืชผักเนี่ยมันขึ้นเองแต่ประเทศอื่นต้องขนขวายญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวต้นสนยังต้องปลูกเลยต้องปลูกนะฮะอันนั้นคือสิ่งสําคัญและสิ่งที่มองเห็นเเป็นถือเป็นทันเรียนรู้ประกอบคือว่าญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตคนสูงมากนะให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตคนสูงมากโดยเฉพาะคนพิการทุกที่ทุกคนที่เป็นเส้นทางสาธารณะ นะฮะี่เป็นสาธารณะนั้นจะมีเส้นทางของคนตาบอดตอนแรกผมไม่รู้ว่าอะไรเหลืองๆเนี่ยฮะเหลืองๆนึกว่าเข้าตีเส้นกั้นขอบเอ้าไม่ใช่นะฮะศึกษาไม่ใช่เป็นเส้นทางคนตาบอดเดินแล้วเดินไปเข้าห้องน้ําไอ้เส้นนี้ก็ตามไปห้องน้ํำพอถึงห้องน้ำปั๊บมันมีแยกซ้ายแยกขวาห้องน้าหญิงห้องน้ําชายใช่ไหมผมก็ตั้งคาถามว่าแล้วคนตาบอดจะรู้ได้ไงว่า ห้องน้ําไหนเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําไหนเป็นห้องน้ําชายไอเส้นทางเดินเนี่ยมันงทางมีทางแยกซ้ายขวามันมีปุ่มๆเราไม่รู้หรอกแต่คนตาบอดมาทําจะรู้ว่าอันไหนไปไปน้ําหญิงอันไหนเป น, น้ำชายอั <c oughs> นะน้นอันะนั้นอันนั้นอันน้คนตาบอดญี่ปุ่นไม่หลงทาง <c oughs> ไม่หลงทางนะเ้ามีเส้นทางเส้นทางสาธารณะของเขาท้องถนนทั้งอะไรต่างนะในอะไรตามแต่มีเส้นทางของคนตาบอดเดิน นคุณภาพที่เขาเขาเน้นสูงแต่ยังไงก็ตามแต่ญี่ปุ่นยังประเทศที่เป็นเมืองเครียดอยู่กับอะไรต่างๆแต่พวกเนี้ยแต่ประเทศไทยไม่เคยกระตือร้อนไม่อะไรเหตุผลเดียวที่ไม่เคยกตือร้อนมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไปกตือร้อนมันทําให้คนไทยนิสัยเสียมกันนะแต่เมืทั้งมาถึงลักษณะของขึ้นจักอะไรขึ้นจักก็เลยไม่เข้ากตือร้อนด้วย <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นแรงจูงใจต้องแสวงหาพระเจ้ามากนะักอะไรต่างๆก็มีอยู่แล้วเนี่ย ไอ้ที่ว่าแห้งแรงแห้งแรงแกันนุงกันดานทั้งหลายแหล่นี่ก็มีกินอยู่อะนะฮะเหมือนบางคนบางคนอะไรบอกว่าเช่นเอ อ, อย่างเช่นสิงคโปร์เขาไม่มีที่ดินทำนาทำไร่แต่ถึงสิงคโปร์ก็มีความภาคภูมิใจว่าถึงแม้เขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกแต่เขามีสมองของผิดเหตุผลที่เขาเขา้าเหตุผลที่เขาต้องใช้สมองเพราะเขาไม่มีอะไรจริงต้องคิดหนัก เป็นเงินคิดหนักเงินสามารถอยู่ได้แต่เราไม่ค่อยใช้สมองเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วเลยไม่ต้องใช้อันนี้คืออะไรที่เป็นของผมมองเห็นว่าประเทศไทยเป็นอะไรพระเจ้าอวยพรแสดงว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับประเทศไทยและกิสเซียนไทยต้องมองภาพไปออกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าและกิสเซียนไทยคืออะไรโดยเฉพาะคําว่าพลิกฟื้นชีวิตกับพลิกฟื้นชุมชนญี่ปุ่นต้องอาศัยเวลาในการพลิกฟื้นชีวิตและพลิกฟื้นชุมชน แต่เขาพลิกฟื้นเฉพาะในในส่วนของกายภาพนะนั่นคือส่วนที่ให้มองเห็นภาพในตรงนี้ว่าเขาจําเป็นต้องมีการพลิกฟื้นสภาพของเขานะฮะฮิโรชิม่ากว่าต้นไม้จะขึ้นมาใหม่ใช้เวลาเป็นสิบสิบปีว่าต้นไม้จะออกดอกบานอันผลมาจากกรรมจะภาพรังสีอะไรต่างจา น, นั้นคือสิ่งที่อยากให้มองเห็นภาพตรงนี้นั้นเมื่อเห็นก็เกิดความสะท้อนใจว่าพิจักไทยประเทศไทย นะครับเรามีทุกอย่างสมบูรณ์ยอมรับได้ที่เราไม่ต้องกระตือร้นเพราะเรามีอยู่แล้วเราจึงไม่กระตือร้นมันผมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สงสัยว่าทําไมคนไทยไม่กระตือร้นเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมต่างประเทศเขาต้องกระตือร้นเพราะเขาไม่มีเมื่อเขาไม่มีเขาจําเป็นต้องกระตือร้นให้ได้มาในความจําเป็นในการอะไรในการที่จะดารงชีวิตอยู่ได้แต่ของเราเนี่ยอากันพูดอย่างตรงไปตรงมาของเราเนี่ย ไม่ทำงานก็มีอดตายอ่ะบ้านเราเนี่ยยกไว้อย่างเดียวไม่ยอมกินอันนั้นตายแต่ไม่ทํางานก็มีอดตายมีไปไหนก็มีให้กินนะผักไปจองใบยญ้ากินได้หมดนะนะประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายนะอันนั้นคือสิ่งที่ใหญ่มองเห็นทําให้คนไทยไม่กระตือร้นและไม่เค่อยคิดถึงเรื่องการพิกฟื้นไม่ค่ยคิดถึงเรื่องการพัฒนาที่ก้าวไกลนะฮะอะไรต่างนั่นคือสิ่งนั้นเราจึงเป็นอยู่ในประเทศที่ชอบเรียนแบบ ไม่อยากคิดมากนะฮะเพราะแอรเรียนแบบก็เรียนแบบในสิ่งที่มันเราไม่มีอะ่ะแต่ต น, นั้นเรามีหมดแล้วไงอันนั้นคือส่วนนั้นวันนี้อย่าหนุนใจเออหลายมองเห็นภาพว่ า, าการพิกฟื้นชีวิตการพลิกฟื้นชุมชนเป็นหน้าที่ของขิดจังนะฮะมันขั้งคริดจังรทไทยแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเราสามารถร้องเพลงนับอรพรพระเจ้าทุกสัปดาห์นะแต่คนอื่นล่ะที่ไม่รู้จักพระเจ้า เขาจะนับประพรพระเจ้าแบบไหนนะะอย่างอนับปรพรพระเจ้าต่ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขมีของกินเนี่ยเรารู้นี่เป็นพระเจ้าที่ประทานให้กับประเทศไทยนะครับนั้นคิดจักเนี่ยมักจะเดินสวนทางกับประคิดเสมอในเรื่องของการการติดตามพระองค์เช่นเราชอบทําให้พระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เราทําตามพระองค์อันนี้ก็สวนทางผวามควรนะนะเราชอบทําให้พระเจ้านะ อยากทำนู่นเหตุพระเจ้าอยากทำนี่พระเจ้าพระเจ้าบอกไม่โปรองหัวให้อยากให้เราทำตามที่พระองค์ต้องการนะครับเราชอบลงมือทำก่อนไอิทขานแต่พระองค์กายเราอิทขานก่อนลงมือทำอันนี้กระทรวนทางกับสิ่งเราพร้อมควรเราชอบรักพระเจ้าโดยไร้ข้อพิสูจน์แต่พระเจ้าบอกให้เรารักมนุษย์เพื่อพิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าอันนี้มันกลับการพร้อมควรถึงแม้บรญดาบอกจงรักพระเจ้าทีสิ้นสุดจิตสุดใจสิ่งสุดกำลังและความคิดและรักเกื่นบ้านเหมอนเราตัเอง พระบัญญติเนี่ยมันไม่แบ่งมันสองข้อมันข้อเดียวถ้ารักพระเจ้าพิสูจน์โดยการรักมนุษย์แต่เรามักจะบอกเรารักพระเจ้าแต่ไร้ข้อพิสูจน์เป็นคํากล่าวอ้างว่ารักพระเจ้าแต่ไร้ข้อพิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ารักพระเจ้าคือรักมนุษย์ น, นั้นคือสิ่งพระเจ้าใอยากให้เราทำในธํานองเดียวกันในการพลิกพื้นชุมชนเนี่ย <c oughs> เราก็ทําสวนทางพระเจ้าดับหนึ่งวิธีการบังคัคือเริ่มต้นจากการอวยพรเมือง วยพอนคนวยพอนเป็นดินวยพรทุกอย่างแล้วก็เข้าไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วก็มีปัญหาอะไรให้เราช่วยเหลือจึงจะเริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐแต่สำหรับเราแล้วเจอหน้าปั๊บรู้จักพระเยซูไหมเคยได้ยินเรื่องพระเยซูหรือเปล่าอ่าลถ้าคําถามเนี่ยไม่นะเราสนทางเลยเราย้อนกลับเลยเจอหน้ารู้จักพระเยซูไหมเคยยินเรื่องพระเยซูไหมขอเวลาห้าทีเขาคุยหน่อยอ่าเหมือนเซลลเลยเหมือนเซลลขายของ และมีก็ถึงมาเริ่มต้นช่วยเหลือการช่วยเหลือของเราเพื่อจะนําไปสูเ่เป็นเหมือนกับสะพานไปสู่การประกาศและจึงค่อยมาสร้างสัมพันธ์และจึงมาเริ่มวอวยพรทีหลังแต่ละกรรมิจิตือวอวยพรก่อนตามด้วยการสร้างสัมพันธ์และตามด้วยการช่วยเหลือและสุดท้ายคือการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั่นกลงแปลความว่าชุมชนอยากจะรู้ว่าทําไมเราทําแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรามาดูตัวอย่าง นะครับประธรรมลูกาบทที่สิบข้อหนึ่งถึงเก้านะครับประธรรมลูกาบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงเก้าบอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงตั้งสาวกอีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนสองคนให้ล่วงหน้าพรงไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พวงจะเสด็จไปนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่าถ้าต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนามีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทร ง, งเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ไปเถอะดูเถิดเราแท้ทั้งหลายไปดุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัป่าอย่าเอาไทายเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปและอย่าคำนับผู้ใดตามทางถ้าจะเข้าไปในเรือนใดจงพูดก่อนว่า ให้ความสุขมีแก่เรือนี้เถิดถ้าลูกแข่งใสยสุขที่นั่นใสยสุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่ใสยสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นกินและดื่มซึ่งเขาจะได้ให้นั้นโดวยว่าผู้ทํางานสมควรได้รับค่าจ้างของตนอย่าเที่ยวจากเรือนนี้ไปเรือนโน้นถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองดใดและเขารับรองท่านไว้จงกินของที่เขาตั้งให้และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั้นให้หาย และแจ้ ง, งเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วเรารวมใจฐานครับ <S <S พระบิดาจะอวยพรในพระชะพระเจ้าพรม้มผีทุกต่อรับการนนใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการประคุงแก้ไขเคยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนคงจะพัพร้อมในการทําการดีทุกอย่างอวยพรในขั้มหลาสกุลในการเข้าใจในพระชนพระเจ้า โดยการสำแดงพระวิญาณบรสุท์ของพระิญาณบสุทธิางหลายตามชอบประไทยรประชาทุประการขอบคุณในความรักขององค์พระเจ้าในพระนามพระเยซูเจา้าอเมนการใช้สาวกเจ็ดสิบคนของพระเยซูนั้นแตกต่างกับการใช้สาวกสิบสองคนนะแตกต่างกันการใช้สาวสิบสองคนออกไปประกาศพระเยซูกล่าวว่าไปหาเฉพาะคนยู่เท่านั้น ก็เยสุสมชับนะแต่พอเจ็ดสิบคนนี่ไม่ใช่ไปทั่วไปเลยนะะไปทั่วไปเลยนะครับนั้นภารกิจของเจ็ดสิบคนกับสิบสองคนมีความแตกต่างกันสิบสองคนไปเฉพาะหาคนอยู่เท่านั้นนะฮะบางทีคิดจากเราอาต้องแบ่งเป็นสองส่วนกันนะส่วนหนึ่งไปหาอคริสเตียนเก่านะอีกส่วนหนึ่งไปหาคนนี้ไม่เป็นคริสเตียนแจกความบางอย่างแหละนะฮะเอแตกความอย่างนี้นั้น ในภษกิจศิษย์70คนเนี่ยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกคนว่าเป็นใครไปหาทุกคนนั้นเขบอกว่านนว่าภายหลังเหตุการณ์นั้นพระเยซูทรงตั้งศพ อ, อืนอีก70คนไว้และให้ใช้ออกไปทีละสองคนสองคนให้ลงหน้าพระองไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองทุกตำบลที่พปร่งจะเสร็จไปนั้นไปทุกเมืองไปตำบนไม่ได้บอกว่าห้ามไปหาใครเหมือนกับ12คน ส2คนบักดิงตรงไปหาคนยืยงเดียวคนอื่นไม่ต้องสนแต่นี้ไปหาทุกคนไปทุกที่ไปทุกผลไปทุกแห่งเหมือนกับที่มห า, มหาพ่อพรมประชาบอกว่าอะไรจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติในมารโกว่าให้ประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคนทำนองเดียวกันไปในทุกไปหาคนทั่วไปทุกคนทุกแห่งนี่คือพันธกิจเจ็ดสิบคนก็คือพันธกิจของขจับ ที่ต้องรับผิดชอบพระมหาบัญชาพระเยซูี่ออกไปทุกคนทุกแข่งทุกเชื้อชาติทุกชนชาตินะทุกประเทศทุกตัวบุคคลนะโดยพ่อแมาโกไปกาวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคนอันนั้นคือสิ่งที่เน้นย้ำไปนั้นภารกิจนี้เป็นสำคัญว่าเราคงจะไม่สามารถเพิกเฉยนิ่งเฉยได้เราต้องหาทางทำยังไงที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับทุกคนได้งั้นเราผมอะไรทาได้ก็ทา ไม่ว่าเป็นต่างชาติต่างประเทศหรือต่างกลุ่มความเชื่อนะฮะก็ทำํำทำกับพี่น้องเอ็มก็ทําอะไรจากพวกนี้นั่นคือสิ่คัญและพภารกิจที่พระเยซูให้กันเจ็ดสิบคนเขาเรียกว่าพันธกิจเร่งด่วนนะฮะภารกิจเร่งด่วนคือว่าพระองค์ตรัส ก, กับเขาวาข่าค่ายต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่นานจงอ้อนวอนพระผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยว นะพืชผลของพระองค์เป็นพันธกิจเร่งด่วนข้าวในนามีมากแต่คนงานอย่างน้อยมีมากนี่คือว่าพร้อมเกี่ยวนะพร้อมเกี่ยวถ้าเกี่ยวช้าไม่ทันการข้าวจะร่วงและตกดินและเสียของจึงบอกให้บิงบวานทําไมบิงบวานพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาช่วยถ้าไม่ส่งคนงานมาช่วยเนี่ยมันไม่ทัน นะมันเกี่ยวไม่ทันนั้นคือเพราะว่าเป็นพาษาจีนเร่งด่วนจริงการประกาศข่าวประเสริฐการพิกฟื้นชุมชนอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องของงานเร่งด่วนพระเยซูยังจะบอกกับเราว่าครงจะกลับมาเร็วๆนี้แเร็วๆนี้แลปลว่าเร่งดนะ่วนนะะเร่งด่วนนั่นคือสิ่งสำคัญเราจะปล่อยแบบไปเรื่อยๆไม่ได้นะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถแบบว่าไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทํายังมีคนอื่นเยอะอีกทํานะฮะ หรืออาจาย์บอกว่ารุ่นเราพอแล้วเดี๋ยวปล่อยให้รุ่นหลังทำก็ไม่ได้อีกเพราะเป็นงานเร่งด่วนไงข้ามันมากจานว น, นมากเย่าะประเทศไทยเนี่ย 99% นะฮะต้องบอกว่าเขายังไม่รู้จักพระเจ้าต้องถือท่านับเป็นข้าวถือมากมหาศาลเยอะมหาศาลแล้วเม่เรามีคนแค่หยิบมือเดียวจะไปทำอะไรถ้าคนแค่หยิบมือเดียวแค่อร์เซ็น ทำกับไป 99% มันไม่ไหวแน่นอนจำเป็นต้องไอฐานวิงวลนขอคุณงานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าจำนวนหนะึ่งเปอร์เซนตในจำนวนหนึ่งเอร์เซนี่ยทำแค่ 50% าสิบเปอร์เซ็นตก็แย่แล้วไงขนาดหนึ่งเปอร์เซนรับผิดชอบ 99% ก็หนักหนาสหัสและก็ถ้า 99% เหลือแค่ 0.5% ในการชอบก็หนักขับอีกแล้วก็ไม่แน่ใจในประเทศไทยอ่ะ จะถึง 0.5% หรือเปล่าที่รับใช้พระเจ้าพเพื่อเข้าใจเกี่ยวเรื่องภารกิจนี้ไมนะ่ในส่วนตัวผมขอในส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ทำการวิจัยจากประสบการณ์ที่มองเห็นอยู่ยังเก่งเพียงแค่ 30% เท่านั้นที่ทำการนี้ยังเก่งนะที่ใส่ใจการประกาศขาประเสริ์เพื่อให้คนรู้จักพระเยซูเนี่ยยังเก่งแค่ 30% ภาพรวมสามสิเปอร์เซนต์ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะแล้วนั่นนิมิตของประเทศไทยเนี่ยผมบอกว่านิมิตเล็กๆแต่เราดูบนเรื่องใหญ่เพราะอะไรมีไม่กี่คนที่ทำและเป้าหมายของแผนชาติว่างไงทราบไหมโอเคเรามีเป้าหมายคนท่านนี้เพียงคาดหวังเรามีคริสเตียนอออยู่มาสักหกแสนคนหกแสนคนเราขอเป็นแค่หนึ่งแสนคนที่ทํางานกำลังแปลความว่าอะไร ไอ้สามสิบซนมให้กำลังไปเอาสูงเกินไปถ้ามีแค่ยแค่หนึ่งแสคนก็จะได้ตามเป้าหมายแสดงว่าระดับแผนชาติยังไม่มั่นใจเลยว่าอาจจะได้ขอเป็นแค่แสนคนก็นแล้วกันพอนั้นความรับผิดชอบคิดจักเรองนีเ้เรามองไม่ชัดเรามองไม่ชัดว่าโลกต้องการการช่วยเหลือจากเราและเป็นภนารกิจเร่งด่วนด้วยปล่อยพิเศยไม่ได้นั่นคือสินคัน นะแต่พนั ก, กิจเนี้ยที่คนไม่อยากทำเพราะอะไรสภาพต้องเชิงว่าไปเถอะดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปจุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนป่างานรับใช้พระเจ้าเป็นงานแบบเนี้ยเดียวตัวเดียวยังแย่นะเดียวต่อเดียวยังแย่นะหมาป่าลูกแกะนะนะหมาป่าลูกแกะเดียวตัวเดียวยังแย่เลยไอ้นี้ลูกแกะท่ามกลางฝูงหมาป่าโอ้โห แต่พระเจ้าไม่ส่งเราไปแบบเปล่าๆพรงให้สิทธิอำนาจของเราด้วยกับเราด้วยถ้าจะผูกมัดสิ่งใดบนสวรรค์จะผูกมัดด้วยถ้าจะปลดปล่อยสิงใดบนสวรรค์ปลดปล่อยด้วยเป็นลูกแกะที่มีอำนาจเนยเป็นลูกแกะที่มีอาวุธครบมือที่พระเจ้าให้อะ่ะถึงแม้อยู่ทำกลางฝูงหมาป่าก็ยังก็ยังทําอะไรที่ชนะหมาป่าได้อะ่ะนะเป็นลูกแกะที่หมาป่าเชี้ยวได้ยากอะ่ะ ถ้าถ้าเราใช้อาวุธที่พระเจ้าให้นะนะฮะอันนี้จะสิสมเคยมองเห็นภาพ น, นี้ว่านั้นลูกแกะมีน้อยทว่าประเทศไทยมองเห็นชัดลูกแกะมีน้อยหมาป่ามีเยอะหนึ่งปอร์เซ็นจะไปทํางานนี้ไม่ง่ายนะครับนั้นคือสิ่งสภาพที่เราเจชิญอันนี้อาจเป็นเป็นเหตุหนึ่งทําให้คิดจักไม่อยากจะเข้าไปทําภารกิจนี้แต่ที่เราไม่อยากเข้าไปเพราะเราไม่ เราไม่รู้ว่าพระเจ้าให้สิทธิอํานาจเราให้กุญแจกับเราตั้งตั้งคิจักนี้และพลังแห่งความตายจะมีชัยในคิจักประหาไม่ได้เรามอบกุญแจสวรรค์นั้นกับท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งในโลกบนสวรกล่าวห้ามด้วยนั้นสิ่งที่คเฤีย์ทําคืออะไรเรียนรู้จักใช้กุญแจดอกนั้นเรียนรู้จักใช้สิทธิอํานาจนั้นอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้และขณะเดียวกันเป็นงานต้องอย่าเสียเวลา อย่าให้อะไรมาทวงอย่าเอาไทยเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปแม้แต่คานับคนตามทางก็อย่าทำเพราะเป็นงานเร่งด่วนไงอย่าให้เรามาทวงเรามันเสียเวลาทรัพย์สินเงินทองอย่าให้มาทวงเรานะการทำงานของพระเจ้าในส่วนตัวเนี่ยในส่วนตัวนะคนอื่นไม่ทราบอย่ามาคิดถึงเรื่องของโว ม, มานมากนะทำเท่าที่ทำได้ ถ้าพระเจ้าอยากให้เราทำเยอะๆเดี๋ยวพระเจ้าส่งโอมานมาเองเราชอบรอโอมาณและเพื่อจะทำงานพระเจ้ามีการประชุมมัชชาสภาคิจจักครั้งหนึ่งเมือ่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเขาผมว่าขำเามีการเสนอเรื่องกองสภาคิจจักเราจำเป็นต้องขยายคิดจักนะทุกคนเห็นชอบหมดเลย แต่มีคนหนึ่งเรียกยืนขึ้นว่าในการเปิดคิดจักรแต่ละแห่งต้องใช้เงินกี่แสนถองนี้ถุงนี้ปั๊บทุกคนเงียบผมการนี้พับไปเรียบร้อยการเปิดคิดจักรไม่องใช้โงมานพูดถึงคิดจักรลูกเทลเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้โงมานใช้ถเทเลมีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้น ว่าถ้าทางานที่นี้ต้องใช้งบประมาณเท่านี้แสนจึงจะเกิดคิดจักรแห่งๆมันเป็นไปไม่ได้คิดจักรเนเรื่องตัวบุคคลคิดจักไม่ใช่ตัวอาคารอะไรจากพวเนี้ยอาจจะพูดง่ายไปทาไปทําที่ชาติการที่ตีนตกอ่าเมื่อมีคนแล้วก็อยากมีอาคารแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วก็ทําไปเรื่อยอยู่อยู่พระเจ้าส่งเงินแม้ห้าแสนเพื่อไปสร้างอาคารนะ อยู่กระโทรมาอาจารย์เสมอใจเรามีเงินเนี่ยอยู่หนึ่งล้านบาทจะให้อาจารย์เพื่อสร้างอาคารคิกจักรสองแห่งอาจารย์มีที่ไหมเออผมพูดกังทีเลยมีก็แบ่งไปที่เื้องผนัท0าแสนแบ่งไปที่อะไรสหการห้าแสนแต่ผมถามคำหนึ่งอ่ะมีข้อผูกมัดไหมก็บอกไม่มีไม่มีเอาถ้ามีข้อผูกมัดไม่เอาอ่าก็เป็นเป็นแต่พระเจ้าอยากเขาทำก็ทำ ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่น อ, อย่างหนุนใจให้มองเห็นภาพนี้ว่าถ้าเราจะทำอะไรอย่าเอาพวกเงินทองมาเป็นตัวถ่วงไม่มีนั่นไม่มีนี่ลงมือทําเท่าที่มีจริงๆมันเข้าขเครือขา่ขายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าทําเท่าที่มีไม่ทําพอพอแล้วไม่พอเพียงไม่แปลพวพอแล้วแต่ให้บอกว่าทําเท่าที่มี แล้วเดี๋ยวมันจะขยายมันไปเองนะนั่นคือสิ่งใหญ่หนุนใจมองเห็นว่านั้นอย่าให้เรื่องการเงินการทองแม้แต่เจอคนกลางทางงานเร่งด่วนว่าแม้แต่ทักคนกลางทางอย่าทักรีบไปนะเพราะคนไทยพอทักปับ๊บเนี่ยมันไม่ไม่แป๊บเลยนะะมันต้องคุยอีพักนึงอะเสียเวลางานพระเจ้าเป็นงานเร่งด่วนย่ามาสีลเวลากับพวกนี้ นะอย่ามาเสียเวลาการสมัครที่ทำมากเกินไปอย่ามาเสียเวลาการเรื่องโง่มาณมากเกินไปอย่ามาสนใจทำทำทำทำตามขอประทานพระเจ้าอะไรทำนไม่งั้นเสียเวลาเพราะไม่งั้นถ้าคุณบอกว่าถ้าตั้งขิดจากหนึ่งแหนใช้เงิมาณห้าแสนคำถามผมว่าเราใช้เวลากี่ปีได้เงินห้าแสนเอาขิดจากแล้วกัน เราใช้เวลากี่ปีในการสะสมเพื่ได้เงินห้าแสนและเพื่อเริ่มโครงการสร้างทิศจักรหนึ่งแห่งผมไม่แน่ใจว่าห้าปีใต้เปล่าห้าแสนแต่ถ้าเริ่มทอมันนี้พระเจ้าจะให้เกิดเดี๋ยวพรุ่งส่งว่าอย่างนี้นั่นนั่นคือสิ่งหนุน ใ, นใจว่าอย่าให้อะไรมาถ่วงเวลาในการรับใช้พระเจ้าของเราไอไวไปอะไรก็ตามแต่นะฮะไอไวเป็นคนที่เจอกลางทางก็เดี๋ยวไปทักมากอย่างเก่งบกป้ายบกมือเดินผ่านไปเลยทำเลย อย่าให้อะไรมาทวงในการทำธุรกิจของพระเจ้านั่นคือความหมายความอย่าเสียเวลากับเรื่องพวกนี้อย่าเสียเวลาเรื่องการเงินการทองนะฮะอย่าเสียเวลาเรื่องจะใส่รองเท้าอะไรดีนะฮะอย่าเสียเวลาการมาทักทายปราใยกันทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่วิธีการทำของพรมพรมบอกให้เริ่มต้นจากการอวยพรถ้าจะเข้าไปในเรือในใดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถอด นั่นคือที่พ่อพีพูดถึงคลิกจากเราอ่อนไปหน่อยเรื่องการอวยพรชุมชนอวยพรคนอวยพรประเทศไทยเรามักไอ้ฐานเพื่ออยากได้แต่เราไม่ค่อยไอ้ฐานแบบให้การไอ้ฐานอวยพรอวยพรน้ำอวยพรแผ่นดินอวยพรคนอวยพรรัฐบาลอวยพรข้าราชการอวยพรอวยพรไปเะอวยพรศัตรู พระพีสอนนี่ให้เราอวยพรตรูใช่ไหมอวยพรคนนี้คนที่ข่มเหงท่านเริ่มต้นอย่างเดียวเริ่มต้นจากการอวยพรฝึกที่จะอวยพรไอ้ฐานด้วยการอวยพรการจะอวยพรมีเยอะแยะให้อวยพรนะลองท่านลองสังเกตนะการอวยพรเนื้อหาเรื่องอวยพรง่ายแต่การตําหนิหาเรื่องตําหนิยากแต่การอวยพรเนื้อหาเรื่องง่ายนะะ ไม่ดีจะอวยพรว่ให้ดีนะนั่นคือสิ่งสำคัญอวยพรว่าให้พวกค้ายาเสพติดกลับใจใหม่นะี่เป็นการอวยพรว่านะอวยพรว่ให้คนติดยาได้รับการแก้ไขปัญหาชีวิตอวยพรวนะ่นั่นคือสิ่งสำคัญ น, นั้นพอเริ่มจากอวยพรว่มันจะมีหัวใจในการอยากสร้างสัมพันธ์จงอาศัยในเรือนนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้น ด้วยว่าผู้ทำงานสมควรจะรับค่าจ้างสร้างความสัมพันธ์กับเขาบางครัง้งบางคาคือจักก็มีปัญหาเรื่องการประกาศขา่าวประเสริฐเราประกาศเชิงหน้าที่สูงมาก <c oughs> นะหรือถ้าพูดไงว่าประกาศเพื่อความสบายใจว่าได้ประกาศแล้วแต่เราไม่ค่อยมีเวลาไปสร้างสัมพันธ์กับเขาแล้วในเชิงที่มันเหมือนกับธุรกิจอะทำเพื่อจะได้ เข้ามานะเราไม่เคยวอวยพรเขาเลยแต่พอไปปั๊บก็เอาตัวเข้ามาให้ได้อะไรต่างากพกเนี้ยอันนั้นก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเราไปหาเขาแบบไรแบบมีเงื่อนไขเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะ น, นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไปสร้างความสัมพันธ์กับเขานะคุยกับเขาหรืออะไรก็ตามแต่นะชุมชนที่เราอยู่อา่านักงานที่เราอยู่ อโรงงานที่เราทําแล้วแต่นะครับอันนี้สามช่วยเหลือมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยเหลือเขาบ้างก็ช่วยและคิดเซียนบอกเลยว่าสิ่งที่สามารถช่วยได้นับแรกคืออะไรไอ้ฐานเผื่อไอ้ฐานด้วยใจเห็นแล้วอยากไอ้ฐานเผื่อไอ้ฐานเผื่อไปเรื่อยนะครับอันนั้นคือสินคันนะฮะเขาเจ็บป่วยก็ไอ้ฐานเผื่อการเจ็บป่วยของเขาเขามีปัญหาชีวิตไอ้ฐานเหลือปัญหาชีวิตของเขานะฮะ คนพอเห็นเราใส่ใจในกายฐานเปลือเขาเนี่ยเขาก็พึงพอใจนะถึงแม้ไม่ใ้ช่วยอะไรนะแต่ถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยตามกำลังความสามารถที่เราเป็นอย่ามามีความร้สึกว่าเราเองก็ไม่ค่อยมีนะเลยไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ใช่ปัญหานิดหนึ่งก็ถือเป็นการช่วยเมื่อขึ้นชื่อว่าช่วยแล้วเนี่ยคนที่ถูกช่วยเนี่ยเขามีความรู้สึกดีมาก เขาไม่ดูตรงจํานวนแต่เขาดูน้ําใจของเรานั่นคือว่าเมื่อช่วยปั๊บเนี่ยเมื่อเราถูกใครช่วยเหลือเนี่ยโอเคนะมันก็เข็นใจ จ, จริงแต่ผมมีเท่านี้เอาไปเท่านี้นะมันก็ชื่นใจนะมันกําลังใจถึงแม่สิ่ที่เขาช่วยเรามามันไม่สามารถแก้ไขปัญหากันได้แต่มันกําลังใจให้เราสามารถสู้ต่อไปได้ไงจํานวนในการช่วยไม่สําคัญเท่ากับหัวใจเจ้า ก, การช่วยเราอยากจะช่วยเขาแม่แต่อยากช่วยเท่าที่มีเนหละ นะคราที่มีนั่นะคือสิ่งที่สคันถึงแม้เรารู้ว่าที่ให้ไปมันไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรอกแต่มันเป็นกําลังใจให้เขาสามารถยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้หลังจากเขาได้เห็นพระพรจากชิงเราผ่านตั้งการอวยพรของเราผ่านการสร้างความสัมพันธ์ของเราผ่านจากการช่วยเหลือเอาใจใส่ของเรานะฮะเมื่อ น, นั้นเขาจะเปิดใจออกสําหรับแผ่นดินของพระเจ้าเราจะบอกเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ทั้งหลายแล้ว ผมช่วยคุณได้เท่านี้แหละแต่ที่ช่วยคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นคือพระเจ้าสามารถช่วยคุแบบร้อยเปอร์เซ็นตคือพระเจ้าและเขาจะรับเพราะว่าเขาเห็นเห็นจากชิดแ ว, ว่าเราก็ทุ่มเทเต็มที่อาจจะเล่าให้เขาฟังว่าเราผ่านพ้นอะไรมาบ้างโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าช่วงนี้เขาเปิดใจแน่นอนในการฟังเรานะส่วนเขาจะรับเอาหรือไม่รับเอาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ปัญหา แต่ใจเปิดแล้วแน่นอนจากผ่านการอวยพรผ่านการสร้างพวามสพันธ์ผ่านการให้การช่วยเหลือตามกําลังความสามารถของเราน้ําใจไมตรีของเราเขาจะเปิดใจออกว่าทําไมคุณทําได้อย่างนี้อันนี้หายากนะหายากไม่เหมือนสมัยก่อนอันนั้นคือสิ่งทางหนุนใจให้มองเห็นภาพนี้เมื่อเราทําอย่างนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นเกิดการพลิกพื้นชีวิตของตัวเราเอง เราได้รับพรย้อนกลับมาหาเราถ้าจะเข้าไปในเรือใดจงพูดกันว่าให้ความสุขมีแก่นั้นเถิดถ้าลูกสสญสุขอยู่ีนั่นสส่สุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่สส่สุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกคำที่เราเอวยพรไปถ้าเขาไม่รับมันจะย้อนกลับมาหาเราถ้าเขารับเราก็มีความสุขไปด้วยกับเขายังไงก็เป็นพรน่ะนะเขารับก็เป็นพร เขาไม่รับพร ก, กลับมาหาเรานะรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นการพลิกฟื้นตัวเองก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีหัวใจในการอวยพรคนอื่นพระเจ้าขออวยพรเรากลับมาและขณะเดียวกันพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราถ้าอาศัยในเรือนนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ที่ทำงานสมควรได้รับค่าจ้างพระเจ้าดูแลเราเราจะได้รับการเลี้ยงดู นั้นบางเวลาเมื่อท่านเข้าไปเรือนไหนจะเขาเลี้ยงดูท่านก็อยู่กับเรือนนั้นกินกับเรือนนั้นพระเจ้าพร้อมในการเลี้ยงดูเรานั้นสิ่งที่ผมหนุนใจได้เยอะว่าทำเรืองานพระเจ้าชอบเราคือพระเจ้าตอนนี่ยถ้าคนที่รู้จักผมมางแต่แรกที่มาอยู่ที่นี่เคยถามว่าเงินเดือนผมเท่าไหร่ ผมไม่เคยถามว่าปีนี้จะขึ้นให้เท่าไหร่ผมไม่เคยถามว่ามีเงินเดือนให้ผมไหมไม่เคยถามไม่ถามจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ใช่ปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาจะให้หรือไม่ให้ไม่ใช่ปัญหาของผมทุกวันนี้ก็เหมือนกันจะให้ไม่ให้บันดีคนดีบอกเงินบวกไม่พอจะยึดเอาเงินเดือนคืนไปก็ไม่ว่ากันก็ไปได้ไม่ห้ามจริงผมพูดจริงไม่ไม่ไม่ซีเรียส เพราะผมถือว่าคนที่ดูแลผมคือพระเจ้าไงแต่คิดจักก็มีหน้าที่ดูแลผมก็ทำให้คุณสามารถทําได้ไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่เคยาถามไทยว่าผมต้องอยู่ตรงไหนไม่เคยถามไม่เคยมีเงื่อนไขไม่ไม่เคยมีกติกาต่อรองกันตั้งแต่เข้ามาไม่เคยมีนะก็คือส่วนที่เกิดขึ้นนั้นหนุใจหมั่นว่าเพราะพระเจ้าจะดูแลเราตามที่เราต้องการ คือตามความจําเป็นของเรานั้นนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวแน่นอนนะยืนยันวพระเจ้าดูแลแน่นอนนั้นน่นคือสิ่งที่อยานุใจให้มองเห็นภาพนี้แล้วก็แล้วถ้าเราถัดซึ่งเราเราทําเต็มที่ของเราเราสัตซ์ซื่อต่อสิบรถที่เราให้เราสัตซ์ซื่อต่อสิ่งที่เราควรทํราแล้วก็ทำงั้นในชี่ิส่วนตัวก็ให้มากกว่าสิบรถอีกแล้วนะอ่าช่วงไหนมีเซลลเยอะนะสมมติว่า สมมติว่าผมมีเซลล์สักสามเซลในหนึ่งสัปดาห์นะผมก็ต้องถวายสี่ครั้งอย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์จริงไหมไปเซลสามเซลลก็ถวายสามครั้งละมานมัสการที่โบวถ์ถวายหนึ่งครั้งเป็นสี่ครั้งก็สุ ด, ดาห์สี่ครั้งต่อสัป ด, ดาห์แล้วต้อถวายนะ <c oughs> แต่ขอบคุณพระเจ้าก็มีเงินถวายแหละมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ไปตามที่มีอะ่ะไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ที่เหลือพระเจ้าดูแลนั้นให้ทําหน้าที่ลอยดีสุด และพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราจะดูแลเราอันนี้ถามว่ารับประกันไหมรับประกันแต่ท่านเชื่อไหมเรื่องของท่านถ้าถามผมรับประกันไหมรับประกันแต่ท่านเชื่อไหมเรื่องของท่านผมบอกไม่ได้บางคนทำาว่าไม่เห็นพระเจ้าดูแลเลยนะผมก็ไปสอดส่องดูเฮ้ยทาไมพระเจ้าไม่ดูแลเขาอ๋อพระเจ้าไม่ดูแลในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็น ไปทําในส lass, てて寂寂ิ่งที่มันไม่มีความจําเป็นพระเจ้าเลยไม่ดูแลไงพระเจ้าดูแลเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไงพุทแท่มังคนบอกเฮ้ยทำไมพระเจ้าไม่ปลดนี้สิ่งนี้ทีคําถามผมว่าแล้วใครใช้คุณไปสร้างนี่ถ้าพระเจ้าใช้คุณไปสร้างนี้เดี๋ยวพระเจ้ารับผิดชอบแต่ถ้าคุณสร้างนี้เองเป็นเรื่องนะเป็นอเรื่องบางทีไปสร้างนี่กับความจําเป็นกับสร้างนี้ที่ไม่จําเป็นแต่หลายครั้งเราสร้างหนี้กับสิ่งที่ไม่จําเป็น ซึ่งเราต้องชอบในสิ่งนั้นอันนั้นคือสิ่งสคัญแต่ถ้าพระเจ้าดูแลดูแลบนพื้นฐานความจําเป็นของเราพระเจ้าไม่ดูแลเราแบบฟุ่มเฟือยดูแลบนพื้นฐานความจําเป็นของเรานะนั้นพ ร, ระเจ้ารับผิดชอบแน่นอนเหนื่องห่วงรับประกันเราไม่ขัดสนแน่นอนเรามีพอกับการความจําเป็นที่เราต้องการเหนื่องห่วงแต่ที่เราต้องการมากเกินกว่าความจําเป็นเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเราไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่ถ้าพระเจ้าทรงโปรดจะให้พวงก็จะให้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนั่นก็หนุนใจมองเห็นว่านี่คือสภาพการว่าผลที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้ารับผิดชอบในการดูแลเราเมื่อเราเชื่อฟังกลุ่มผลที่ตามมาอีกอันนึ่งเกิดการพิกฟื้นชุมชนขึ้นชุมชนจะเห็นการสะใจของพระเจ้าและจงรักษาคนปว่วยในเมืองน้นให้หายเขาจะเห็นการสะใจพระเจ้าจากการอิฐฐานเผื่อของเรา <c oughs> เขาจะเห็นสิ่งที่เราอิฐฐานแล้วเกิดขึ้นเป็นจริงเขาจะเห็นสิ่งที่เราอิฐฐานแล้วเขามีความสุข เขาเห็นสิ่งดอยฐานแล้วมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเกิดขึ้นซึ่งเกินความเข้าใจนะฮะเขาเห็นการเสด็จของพระเจ้าเมื่อชุมชนเห็นการเสด็จของพระเจ้าผ่านไยเหตุการังต่างเขาจะเริ่มสนใจในพระเจ้าและเมื่อเขาเริ่มสนใจพระเจ้าแผ่นดินของเจ้าก็จะขยายออกไปแผ่นดินของเจ้าไม่หมายตัวอาคารไม่หมายตัวอาคารที่แต่บุคคลจํานวนคนที่สนใจในพระเจ้าจํานวนคนจะต้อนรับพระเยซูเข้าชีวิตมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เพราะเขาเห็นการสัจจันร์ของพระเจ้าจากใครเราเริ่มต้นจากการอวยพรเขาเราได้สร้างความสบายขเขาเราได้ช่วยเหลือเขาเขาเห็นการสัจจันพระเจ้าและเขาเปิดใจออกทําไมถึงเกิดขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เขาสนใจในพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับโครนีอัสที่พร้อมจะเชิญเปโตรเข้ามาอธิบายความให้ฟังว่าพระเยซูคือใครนั้นนั้นคือสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นภาพนี้ว่าผลที่รับคือตัวเราได้รับการพลิกฟื้น และชุมชนได้รับการฟิกฟื้นเมื่อเราทำสีอย่างชัดเจนโวยพรนะสร้างสัมพันธ์แล้วเราดีกาศได้ช่วยเหลือและ ป, ประกาศเรื่องพระองค์พระเจ้าทําตามขั้นตอนนี้ด้วยความรักการประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่นาที่แต่เป็นความรักการที่เยซูมาตายเพื่อเราไม่ใช่นาที่ของพระองค์แต่พระองค์รักเรา ไม่นหน้าที่ของพ่อที่มาตายเพื่อลูกแต่เพราะความรักจึงยอมมาตายการประกาศข่าวประเสริฐงเราเหมือนกันจะประกาศเพราะเป็นหน้าที่แต่ต้องประกาศด้วยความรักถ้าประกาศด้วยหน้าที่เราจะเบื่อมากแล้วเมื่อประกาศวยหน้าที่เราก็จะมีอะไรบางอย่างที่เรามีความสึกคุณคิตการเป็นหน้าที่เราอาจจะตัดสินที่ภากษาอะไรลงไปแต่บางอย่างได้คนนี้อย่าประกาศเลยหัวดือ้อ เป็นดีกว่าเพราหัวเรื่องกันไปอืไม่เห็นขอบสวรรค์แน่นอนเราอะไรไปตัดสนใจเขาเงั้ยนะแแดงเราทําพราะหน้าที่เราไม่ทำเพราะความรักถ้าทำเพราะความรักต่อให้มันหัวเื่องขนาดไหนต่อให้มันอยู่ไกลขอบสวรรค์ขนาดไหนเราก็ยังอยากจะบอกเขาให้เขาเห็นเรื่องของพระเจ้านะฮะบางทีเราพอประกาศหน้าที่ปั๊บเสียเวลา มัวเสียเวลาคนประเภทนี้เสียเวลาประเภทนี้นะฮแล้วก็แล้วก็พระเจ้าไม่เคยเสียเวลากับเราคําถามผมพระเจ้าไม่เคยเสียเวลากับเราพระเจ้าเคยบอกไหมว่าไอ้คนนี้ชิงไว้ก่อนมาเสียเวลาไม่อยากคุยด้วยกับมนุษย์คนนี้ไปหาคนนู้นก่อนพระเจ้าเคยบอกนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะคุยกับยูยูไม่ค่ยรู้เรื่องไม่ค่อย จิตใจไม่เปิดเดี๋ยวไปหาคนก่อนจิตใจเปิดเม่อไหร่เขาบบอกก็จะมาหาใหม่พระเจ้าเคยบอกเรานี่ไนหะมมีแต่ตามกับตามตามกับตามตื้อกับตือ่อพระเจ้าอะ่ะตื้อแล้วตื้ออีกอะ่ะและการประกาศข่าวประเสริฐอเราเรานั่นนิดหน่อยเขาแสดงอาการมาโอ้คนนี้เสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าจริงจิงการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ใช้เวลาการประกาศข่าวประเสริฐใช้ชีวิต ไม่ได้ใช้เวลาอย่าใช้เวลาในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ต้งใช้ชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐถ้าชีวิตคุณไม่เสียเวลาแต่ถ้าคุณเวลาคุณอาจจะเสียชีวิตเขาคุณอินและสุดท้ายคุณพิพากษาเรียบร้อยคนนี้รับประกันได้เลยไม่รอดฟันธงเรียบร้อยเลยคนนี้รับประกันได้เลยไม่รอดอคุณอาอะไรไปไ ป, ไปพิพ า, ากษาใครพิากษาหน้าที่ขง ใ, ใคร เป็นหน้าที่ของพระเจ้าผมไม่ได้เห็นคนเจ้าโหโครงกามันเป็นเรื่องระหว่างเข้าพเจ้าผมพวกไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วทำเท่าที่สามารถทำได้คุยเท่าที่สามารถคุยได้ก็จบละคงไม่รู้จะทําังไงก็ทําได้แค่นี้ก็ทําไปเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสทําแต่เราก็ไม่สามารถจดสิ้นว่าคนนี้หมดโอกาสเรื่องของคนต้นกลายเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายกลายเป็นคนต้นอย่าคิดว่าเรารอดแล้ว บ้านปลายอาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าคุณไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจจริงแต่คนที่เโดนไม่รอดแตงโมรามันรอดกันเยอะพระเยซูพูดเจ็บกับพวกฟาริสีสุดท้ายแล้วคนเก็บภาษีคนร่วงปุเวนีคนโศเพนีต่างนั้นจะกลับใจใหม่แล้วมาหาพระเจ้าพรองมีคาว่ากลับใจใหม่นะไม่คนเหล่านี้จะได้ได้เข้าสวรรค์ น, นะแต่คนนี้จะกลับใจใหม่แล้วมาหาพระเจ้า แต่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบทำแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้มาหาพระเจ้าและพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าอันนี้กว่าและพระเยซูบอกพวกฟาริสีแบบด้วยเราไม่รู้จักเจ้าน ะ, น, ะนักเกิดสิ่งหนุนใจใมองเห็นภาพนี้นะครับถ้าเราเข้าใจนี้นะภารกิจของเรานะออกไปทุกชาติออกไปยังคนทุกคนภนรกิจพระมหาบัญชาเป็นงานเร่งด่วนไม่ใช่รอเวลา พยายามสร้างคนุหลังแต่ผมมันก็ไม่เคยรอคนรุ่นหลังอาจจะสร้างเด็กชังชนแต่ไม่เคยรอเขายังทําของเราต่อไปเรื่อยๆนะไม่เคไม่เคยคิดจะทิ้งงานไว้ให้คนรุ่นหลังสำหรับตัวผมนะผมไม่เคยคิดทิ้งงานไว้ให้คนรุ่นหลังทําไม่เคยคิดเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นหลังไอ้ตายก่อนผมก็ได้ใช่ไหมเราบออู๋ไปแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้คนรุ่นหลังแล้วก็คนรุ่นหลังตายก่อนผมแล้วใครทำอะ่ะ นั้นผมจะทาให้ผมทําได้และทําให้เสร็จทําให้ดีที่สุดจบส่วนคนลุ่งหลังเขาขึ้นมาแล้วเขาจะสารต่อไม่สารต่อบอีกเรื่องนะแต่จะไม่ทิ้งงานไว่ให้คนรุ่งหลังทํายกเว้นตายไปแล้วก็เลยแล้วไปนะตายไม่แปลว่าทิง้งแต่ไม่เคยคิดจะทิ้งงานไว้คนรุ่งหลังทําไม่เคยเตรียมงานไว้คนรุ่งหลังทําแต่ทําให้ดีที่สุดก็คือการเตรียมงานอยู่แล้วแหละแในเมื่อคนหลังมาถึงเขาสารต่อไป นั้นการรับเทพระเจ้าอย่าทิ้งงานไว้คนรุ่นหลังทำจงทำให้ดีสุดและเมื่อทำดีสุดแล้วถึงเวลาเราจะพูดตา้งปากตั้งคาว่าสำเร็จแล้วทำหน้าที่ดีสุดแล้วคนรุ่นหลังมาก็สารต่อไปแต่ถ้า่านคิดจะทิ้งไว้คนรุ่นหลังแล้วบอกแค่นี้พอแล้วฉันไปแล้วถ้าเกิดคนรุ่นหลังตายกว่าเราใครจะทำงานที่นี้รับประกันได้ความผิดตกอยู่ผมแน่นอน เพราะผมทิ้งงานไปเรียบร้อยไงหวังว่าคนรุงหลางจะทำแต่คนลุงหลังก็ตายไปแล้วทาอะไรนั่นมองทำผมให้จบทำให้เสร็จนั่นคือสิ่งในหัวใจนะครับเป็นเหมือนลูกแกะทำกลางหมาป่าเป็นลูกแกะที่ทรงพลังมีฤทธิดเดชของพระเจ้าไม่ทำโดยกำลั ง, งตัวเองและอย่าอะไรมาถ่วงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่าอะไรามาถ่วงนะครับและทำให้เราสามารถไปได้นะครับ วิธีพลิกพื้นชุมชนอีกครั้งหนึ่ง่วยพรฝึกในการอวยพรชุมชน่วยพรนคนทํางานเราทํางานอยู่ด้วยอวยพรคนยี่ค้างเคียงก็่วยพรนเขาละมึงไม่น่าจะ orn, าอวยพอวยพรด้วยความรักสร้างสัมพันธ์เขาคุยเขาถ้ามาทําได้ช่วยเหลือเขาถ้าตามตามกําลังความสามารถตามของประธานเราแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอ น, นีน้พระเจ้าก็ฟันนะนั่นคือสิ่งที่คนทาคนที่รับตัวเราได้รับพระพรแผ่นอินพระเจ้าขยายออกไป คำตรัสพระเยซูบอกว่าถ้าต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพชนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพรุงผู้สูงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพรุงคนงานนั้นคือคือคนงานคนนั้นอย่าไปหาที่อื่นคนที่คุกเขาไอ้ฐานขอคนงานกำลังแปลควมามว่าคนนั้นเป็นคนงานอยู่แล้ว แต่หลายครั้งหลายคนไอ้ฐานขอคนงานและตัวเองไม่ยอมเป็นคนงานเมื่อตัวเองยังไม่ทำจะขอใครมาช่วยงานคาถามถ้าเราไม่ทำจะไปขอคนมาช่วยงานใครจะให้แต่ถ้าเราทำอยู่แล้วแล้วเราขอคนมาช่วยพระเจ้าจะให้แต่ถ้าเราไม่ทำเราบอกโกงจะขอคนมาช่วยงานหน่อยมาช่วยอะไรคุณไม่ทำอะ่ะแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณขอแล้วพระเจ้าจะให้ อันนั้นคือหลักการเจ้าเราคือคนงานตรงนั้นและเมื่อเราพุ่เขาเข า, ขาไอ้ฐานขอคนงานพระเจ้าจส่งคนงานมาช่วยเราเพราะพรองรู้ว่าเราทําไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วไอ้ฐานขอคานงานมาช่วยพระเจ้าก็ไม่ส่งมาแลาข้างเราเราเราเร า, เร า, เราพลิกกับหัวกับหางน ะ, ะงานที่ต้องรับผิชอบไม่ทมําเลยจะขอคนงานแล้วเอามาทําไมแล้วเจ้าขอใบสั่งผมยังผมก็ไม่ให้ลูก คนงานในบริษัทผมนะจ้างมาเป็นคนกวาดพื้นนะกวาดพื้นแต่เขาไม่กวาดพื้นแล้วเขามาบอกผมว่าเออเจ้าแก่ครับขอคนงานมาช่วยกวาดพื้นหน่อยครับผมจะให้ไหมผมก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้อะไรผมจ้างคุณคุณไม่ทำแล้วคุออยู่ๆคุณมาขอคนงานมาเพิ่มมากวาดพื้นผมก็ไม่ให้อยู่แล้วไงแต่ถ้าคุณทำแล้วผมเห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆมันแบกมันโหลดเกินไปผมจะให้คุณ บัญชีไม่ข อ, อย่งไงให้เลยแต่จงขอเถอะพระเจ้าบอกให้เราขอนั้นก็หนุนใจว่านี่คือสิ่งสคัญเราคือคนงานคนนั้นผ่านครับมนตีจะลองเพลงเล่นเพลงพระคุณพระเจ้าด้วยกันเพลงพระคุณพระเจ้าได้ถูกทำการสำรวจแล้วว่าเป็นเพลงมัสการอันดับหนึ่งของโลกนี้ในมัสการนั้นที่ใช้มากที่สุด เป็นการคิดถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาขณะทีนน่รอ้รองร้องไปดนตรีเดินไประใจบานพระเจ้าเป็นการสวด น, นึกถึงพระคุณพระเจ้าที่มีต่อเรานึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงเราฮาเลลูยาโอฮาเลลูยา ทุกคนรู้ว่าพระคุณพระเจ้าแสนชื่นใจเราเป็นคนปนระเภทไหนเรารู้ยแต่พระเจ้าก็ช่วยเราเป็นพระคุณล้ำเลเิศระดับเราเป็นบุคคลที่ไม่สมควรเกิดจรับพระคุณจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณนั้นกับเราเราเคยตาบอด ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าเปิดทางให้เราเปิดตาให้กับเราฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาสันเริญพระเยซูชีพเรามาเดินมาทงพระเยซูมีหลายอย่างเป็นปัญหาบางครั้งเรามีความสึกเราไปเหมือนลูกแกะที่แล้วก็กลางหมาป่าแต่พระเจ้าก็ช่วยเราพ้นจากฝูงหมาป่านั้นได้ สันเสริญพระเจา้าฮาเลยเพราะเป็นพระคุณของพระเจา้าทั้งหมดนี้เป็นพระพรคุณของพระจาจย์ฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาสันตราปาการาปากาสันเสริญพระเยซูสรงอวยพรสรงอวยพรอวยพรทั้ ง, ง, งหลายทุกคนในเวลานี้วอวยพรผ่านทางพระคุณของพระองค์ที่มาถึงท่างหลายแต่ละคน ฮาเลลูยาสันเสริญพระเยซูโอฮาเลลูยาสตราปากาไรสันเสริญพระเยซูสันเสริญพระเยซูสันเสริญพระเยซูพระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดสุดพระเจ้าผู้ทรงระยูงาพองหลายฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าอเมนฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าอเมน อาจจะลองพร้อมกันครับพระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดีพระเจ้าประทานแต่สิ่งที่ดีกระทั่งให้มีความหวังว อเ ม, มนเมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ชนะนา ตีเล่นไปครับอยากที่ประชุมไอ้ฐานนึกถึงใครสักคนหนึ่งหรือไม่แต่คนกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะอวยพรเขาเราจะอวยพรเขาตามสถานเขาเป็นถ้าเขาเจ็บป่วยจะจะอวยพรให้เขาหายโรคถ้าเขามีปัญหาในชีวิตจะอวยพรให้เขาได้รับการแก้ไขปัญหาถ้าชุมชนนั้นมีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องน้ํา อวยพรวิเขามีเรื่องน้ํามีน้ําเพียงพ อ, อการใช้ทางเขามีปัญหาเรื่องของพื้นดินที่ไม่มีสารอาหารและใจะฐานอวยพรวิ ด, ดินนั้นมีสารอาหารสันเสริญพระเจา้าฮาเลลูยานึกถึงครับใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือกลุ่มคนก็ได้ี่เราอยากจะอวยพรวิเขาอวยพรวิสภาพที่เขาเป็นอวยพรในทางสิ่งที่เขาต้องการรับ ไว้พอในความจําเป็นที่เขาต้องการนั้นสันเสริญแลมขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยาสันเสริญพระเยซูสันเสริญพระเยซูฮาเลลูยาแต่เป็นหลายคนก็เอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อเขาถ้าเขาไม่มีงานทําไว้พอในเขามีงานทําสันเสริญพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา อาเมนฮาริลูยาสันเสริญพระเจา้าสันเสริญพระเจา้าอาเมนเราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานอวยพรประเทศไทยด้วยกันพระบิดาเจ้าอวยพรประเทศไทยอวยพรแผ่นดินไทยพื้นดินไทยให้ดุจพ้นจากความแช่งสาบอวยพรน้ําให้เป็นน้ําที่ดีอวยพอรอากาศให้เป็นอากาศที่ดีอวยพรกับสถาบปนศาสตร์ให้เป็นสถาปันที่ เป็นหัวใจเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทยสื่อไปไว้พรกับรัฐบาลไว้พรคณะคอสชอในการทํางานด้วยความสัตย์ซื่อไว้พรเขามีสิญยาซึ่งมาจากพระเจ้าในการบริหารในการจัด ก, การประเทศชาติบ้านเมืองสังเสริมหลัข้อประคุณในความรักพระเจ้าไว้พรกับข้าราชการประจําให้เขาสัตย์ซื่อกับหน้าที่ อวยพรให้เขามีความกระตือรือในการทํางานตามหน้าที่ให้เกิดผลอวยพรกับการขยันขันแข็งของเขาสรรเสริญและขอบคุณในพระเมตตาคุณขององค์พระเจ้าที่มีต่อข้าพมาลัยอวยพรกับประชาชนคนไทยให้มีความสมัครสมาสมัคคีอวยพรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอวยพรให้มีเศรษฐกิจที่ดีอวยพรให้มีอาชีพที่ดีอวยพรอวยพรประเทศไทยอวยพรในทุกศาสนาอย่างเดียวกันให้เขาได้พบพระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณในความรักพระเจ้าที่มีต่อ้าพมอวยพรกับ เยาวชนคนไทยที่เติบโตขึ้นในทางที่ชอบทำและทางที่ดีงามสันเสริฐและขอบเจา้าอวยพรกับเยาวชนไทยที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่สำคัญต่อไปที่จะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพสืบไปอวยพรเยาวชนไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสันเสริฐและขอบเจา้าอวยพรประเทศไทยจะปรับหมด อมหมดที่ยาสจะหมดไปจากประเทศไทยอวยพรประเทศไทยที่การจะหมดไปจากประเทศไทยขอขอบคุณพระเจ้าอวยพรประเทศไทยที่การข้ามรุ่จะหมดไปจากประเทศไทยขอขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงนำรุ่อวยพรอวยพรประเทศไทยที่จะปราศจากการคอรับชั้นสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าฮาเร็ลุยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงกระชอนอยู่อวยพรกิจจากไทย ที่จกระตือรุนในการทําตามหมหาัญชาด้วยความเข้าใจไดสศีปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรนเสริแลขอบคุณในความรักความเมตต่างพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่จ้าอวยพรสรนเสริลพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใครเจ็บใครป่วยเอามือวางที่เจ็บป่วยนั้นใครทุกข์ใจเอามือวางที่หัวใจของท่านาพระบิดาเจ้าค่ะ โดยโลหิตประเสริฐของพระเยซูโดยแผลรอยเข้นของพระเยซูในนามของพระเยซูกิตชาวนาัสเลตไม่ว่าการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในจงหายเป็นปกติสันเสริลขอบพระคุณรพระเจ้ารับผู้ทุกข์ใจหนักใจกังวลใจท้อใจหมดกําลังใจบางครั้งอึดอัดใจเหมือนภูเขาทับอกในนามของพระเยซูกิตชาณัาเลตเขาสั่งภูเขาที่ลอยออกไปและขอพ้นยาเสพเจิมเขา ความชื่นชมดีความเป็นดีในพระวิญญาณเสด็จท่วมชนหัวใจของเขาสันรรสุขของพระเจ้ครอบครองจิตใจและความเพียรเขาไว้ในพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระคุณพระเจ้าและให้มีความชื่นชมดีพระเจ้าเพราะความชื่นชมดีพระเจ้านั้นเป็นกําลังของข้าพมาลายมาลายจึงสรรเสริญขอบคุณในความรักกรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจผ่อนครับ